ให้ฟังมาโดยลำดับเพื่อพูดถึงเรื่องธาตุถึงเรื่องขันถึงเรื่องอายตนะเพื่อมาติดต่อกันจะฆ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาเราเรียนตาม ต, ตำราหมวดธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะจาไม่ได้ซึงจำได้ไม่ได้ก็ตามเถอะ การที่พูดที่อธิบายแบบ น, นี้นั้นไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากที่ของมีอยู่คือว่าแสดงของที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ั้งเราไม่ได้เรียนไม่ตามตำราตำราแต่ตำราใหญ่คือตัวของเรามันมีครบบริบูรณ์หมดตัวของเราเนี่ที่เรียกว่าเป็นธรรมะนั่นจริงจริง แสดงธรร ม, มะได้แสดงที่ตัวของเราเราทุกคนได้ชื่อว่ามีธรร ม, มะอยู่แล้วแตเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธรร ม, มะจริงแสดงธรร ม, มะคือตัวของเราเนี่ยให้ฟังยางว่ารูปธรรมนา ม, มาธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วรูปธรรมก็อได้เหมือนกับได้แก่รูปคือตัวของเราที่ ปลาปวดอยู่เนี่ยเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเรคือหมายความในเรื่องจิตใจก็ทรงตัวอยู่ได้คือไม่แตกไม่ดับถ้ารูปธรรมนามธรรมแยกกันออกเมื่อไหร่คนเราก็ตายในการที่เราหลงก็หลงที่รูปธรรมนามธรรมเรารู้ก็รู้ที่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่รู้ที่อื่น เราจะยึดถือซึ่งเป็นเหตุเนี่ยเกิดกิเลสบาปธรรมต่างๆก็เร า, าไม่รู้จักลูกทางานร ม, มเราจะใสสะอาดจิตใจของเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธของึ้นมาได้อย่างพระอรียเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านก็มารู้แจ้ง เป็นรูปทำนามธรรมพืำำ่อที่ตวงท่านั้งกับพุทธหลุดพ้นไปแล้วถึงพระา槃พวกเรายังไม่รู้ถึงเรื่องรูปทำนามธรรมตัวของเรานี่แล้วยังพากันของพากันติดพากันหลงมัวเมาเนยนั่นจึงต้องอธิบายให้เข้าใจ เป็นโรคทำนำมามธรรมด้วยตัวของเราแต่ละคนจึงได้แสดงมาเบื้องต้นขาดตีก็ไม่ใชอื่นใครก็คือตัวของเรานี้อย่างที่พากันตรวจมาสวจกันอยู่เรื่อยที่เรียกว่าอาการสาวทิศสองเาสาลงมานะขาทำตาตาจุกขันหักก็ไม่ได้หนีจาก รูปทำนามทำคือเอาธาตุสี่เป็นพิตารมขันหามันก็ออกไปเป็นแ ย, ยกธาตุาสี่นี่แหละให้มีนามมาทำเข้ามาเพิ่มเติมเข้าไปเห็นรูปก็เป็นรูปอยู่ปกติแในแกการสาริสสองทีบาไปแล้วท่านี้นามทำเพิ่มเข้ามาอีกสี่อย่างแ ย, ยกกับไปเพิ่มเติมไปพิสดารเข้าไป มันลรามาันพ่วงไว้แบบนี้ได้ทีแรกมันแคบๆน้อยนิดเดียวเด้อนานมันก็ บ, บานป่ายพ่วงออกพ่วงออกคออกันหาแล้วันนี่มันเลยจากสี่กลายเป็นห้าธาตุสี่นั้นสะดูไปสักก่อนเอาแต่ตัวธาตุแตแท่นไม่ได้เกี่ยวถึงไม่กันได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องนมามธรรมคือไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตดินน้ำไฟลมไม่ไม่มีตัวจิตไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิต อันนี้ขันห้านี่คือว่าหนะ้าสี่เนี่ยเอาเป็นหนึ่งจ้ะขยายไปอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งใช่ไปรูปจะ้ะแล้วขานี้ก็เอานามทำเข้าขมาเพิ่มอีกสี่อย่างคือเวทนาความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ก่เฉยมันเป็นนามมาทำไม่มีใครรู้ตัวไม่มีแต่รู้กัน อคจะสุกจะทุกข์ก็มีใครรู้กันหรอกงานเชียงเรียกว่านามาทำสัญญาคือความจําอย่างเราไปจําหนังสือหรือไปจําสวดมนต์สวดพรนั่นมีตัวไปจําไม่มีปรากรุดไม่เหมือนกัเราเขียนหนังสือเป็นต้นในตัวแต่ว่าความจํานั้นมันฝังเข้าอยู่ในลึกเข้าไปในใ น, นนั้นอยู่ในนั้นอย่างเราเขียนหนังสือออกมา เรียกวเป็นเครื่องหมายใน ต, ตัวความจำจริงๆไม่เคยอยู่ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือถ้ามันมีสัญญาคือความจําแล้ว เ, เปร่าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะมันมีสัญญาคือความจําที่ไปจําบวชบทตรวจวนตรวจพรอะไรต่างๆจำสิงต่างๆเพราะมีอันหนึ่งซึ่งมันฝังอยู่ในในเข้าไปตอนนั้นเรียกว่าสัญญา ทุกๆคนมีทุกคนสัญญาไม่ใช่ห น, นีเดี๋ยวนี้เราก็รู้จึบอยู่เ น, นี่ยจำโน่นจำนี่เรารู้ได้อยู่นึกไปถึงสิ่งต่างๆที่เราจำได้ทั้งบ้านทั้งเดือนที่ไหนที่ไหนก็าตามเถอะที่เรานึกไปไปเห็นหนาเห็นตาผู้นั้นคู่นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเรียกว่าสัญญาหนีอยู่ทุกคนแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวตนออกมาจึงเรียกว่านามาทํา สังขานท่านี้คือความคิดนึกปรุงแต่งอยากจะให้เป็นโน่นเป็นนี่จะปรุงอะไรก็ตามแต่งอะไรก็ช่างเถอะที่เราปรุงแต่งขึง้นมาการเราจะทําบ้านทําเรือนจักสานรตดิทําเลือกสวนไรนาอะไรทุกอย่างแหละตลาดทั้งปรุงอาหารการกินหุงต้มเครื่องประการต่างๆจะต้องเอานั่นผสมนี่จะต้องนี่ผสมนั่นอะไรต่างๆ อันนั้นแหะท่านเรียกว่าสังขารมปรุงควมแต่งนี้ทุกคนแต่เราไม่รู้ชื่อมันหน้าตามันเห็นทัดทุกคนทีเดียวแต่ชื่อว่าอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนจึงไม่รู้จักชื่อมันท่านให้บัญญัติว่าสังขารยินยายคือควมรู้สึกรู้สึกอะไรก็ตามเถเย็นร้อนอ่อนแข็ง ก็อย่างที่เลือบอยงมากัดเจ็บภาพสมาธิเรารู้สึกเจ็บ ด, ด้วยมันหนาวเย็นร้อนนี่เป็นความรู้สึกในมันอันนั้นเราเรียกว่ายิย่งใหญ่นี่เพิ่มข้นมาสี่เพิ่มเสมาธิจากไอ้เพิ่มเสมาธิจากให้รูปรูปนั้นเป็นเป็นตัวรูปยืนตัวอยู่แล้วคราวนี้เอาน้ำเข้ามาเพิ่มเป็นสี่ฉันจะเรียกว่าสังหาร ขันหานี่แหละตัวของเรามีวัตถุผลเมื่อเรามี น, นี่ก็เลยชื่อว่าเรามีธรรมเรียกว่าธรรมขันที่เบื้องต้นนั้นถ้าเรามีธาตุเสียงเรียกว่าไอธรรมธาตุเรามีธรมธาตุอันนี้เรียกว่าเรามีธรรมขันมีบัญญัคําทีา้ขึ้นมาอย่างนี้ได้ตัวของเราสมบูรณ์เลยไม่ใช่เป็นอดอย่างอะไรเลยธรรมะนี้สมบูรณให้ตวหัตวของเราแต่ละคนละคน แต่ว่าเราไม่รู้จึองออกมาสอนเธอรู้รู้จักเมื่อพูดถึงเรื่องขันหานแล้วนี่มันก็นยังมียืดยาวต่อไปอีกอ่ะประจักษ์ขันหานี่แหละข้าศีขันหานเนี่ยขายายออกไปอีกเรียกว่าอายา 6, ุตนะหหกคือต้องการอยากจะพูดเป็นลําดับไปอายาุตนะหกหกก็พูดของเก่านั่นแหละพูดเรื่องข้าศีขันหานะ ตากระท่าสี่หูกระท่าสี่จมูกลรีนกายใจใจนี่นเป็นน็นเป็นนามธรรมาตาหูจมูกรีบกายก็คือตัวธาตุาสี่เด็กว่ารูปใจนี่นคือ น, นามธรรมามีเป็นหกตาหูจมูกรีบกายใจมีเป็นหก ทำไมเพื่อนยังแย่ก็ไปอีกคือไปแยกตามความเป็นจริงคือตามเหตุการณ์ที่มันทําหน้าที่การงานที่มันทําหน้าที่เทวตาครันนี้มาเรียกเมื่ได้เรียกรูปได้คันเรียกอายตน่าได้คันไม่ได้เรียกขันได้คันเรียกอายุน่าจะเรียกรูปตัวนั้นอ่ะแต่ให้เรียกเป็นอายุนะ คือว่าตามันทำหน้าที่อย่างหนึ่งต่างหากที่แรกเรียกรวมๆกันเหมือนกับสลาแล้วเนี่ยสลาหลังเนี่ยเราเรียกว่าสลาอันนี้ถ้าหากว่าเรามาแยกกันออกไปเพราะแยกเป็นเสาเป็นลอดเป็นตรงเป็นคือเป็นแปรเวียนและเป็นอกไก่แยกออกไปอันถ้าหาเราไปพูดเรื่องของนั้นเราไม่ต้องพูดสลาแล้รครับนี่เป็นอาการอาการองไป อนอันที่พูดถึงเรื่องออนนกายยศนามีกาลังพูดถึงเรื่องของรารเครื่องของธารเครื่องของเพียงเครื่องปีกย่อยของธารที่มันทําหน้าที่ของมันเชรื่องเสามันคอยรับน้ําหนักรารนี้ไว้อย่างที่อย่างเนี้ยแล้วก็ลอดซึกขางมันคอยรับน้ําหนักต่อจากเสาเป็นรับน้ําหนักกระดานที่เราฟูกน่ะ แท่านี้ไอ้แปเวียนเสือ่อว่าไม่รัดคอเส า, เามันคอยรับน้ําหนักโน้นนี่เครือบบนมันเป็นอย่างนนในหน้าที่ของมันเขาเรียกสลาน่ะแต่เรียกตามหน้าที่ของมันที่มันทํางานอาณาจักรเหมือนกันที่เรียกว่าจักรวายตนะคือตาอายาจักรคือตา มันทําหน้าที่ได้แก่มันดูรูปโตตายิจตนะอิจตนะคือหูมันทําหน้าที่สําหรับฟังเขี้วหายอิจตนะอิยตนะคือจมูกมันไว้สําหรับดมกายายอตนะอิยตนะคือตัวทั้งหมดไหนมันตั้งกันเด้ขนนี้ว่าตาหูจมูก เที่ยวหายยตนะยตนะคือรีสำหรับรับรถอาหารรถอะไรก็ตามเสร็จเต็มหวานเปรี้ยวเรียกว่าเที่วหายยตนะยตนะคือรีกายายตนะยตนะคือกายมั้นสำหรับรั บ, รบพัดตัดเย็นน้อนแกลนี่มันทำหน้าที่ของมัน ความ่จริงก็กายอยันเดียวนั่นแหละตาหูจหมูกลิ้นกามันก็กา ย, ยาเดียวนั่นแหละแต่มาแ ย, ยกออกเวลามันทำหน้าที่ทำหน้าที่แต่ละอย่างลอย่างเหมือนกันกับสลาทีท่ปฏิบัตแล้วาอยนั้นท่านจึงแ ย, ยกให้เป็นอายุชะะคือหน้าที่ของมันแต่ละแต่ละอย่างลอย่างมะนายนาุชะณะอายตชะะคือใจ นี่มันมันเป็นนามธรรมใช่แล้วหกยังจะ น, นามธรรมอันเดียวที่แรกนั้นหนะ่านั้นเป็นนามธรรมสี่อันนี้หกมีนามธรรมอันเดียวเป็นรูปเจ้าหาเลยมันนี่เรียกว่าอายุนะนอกจากท่านจะเรียกอายุศรนะบัญญัติเป็นอายุน่ะแล้วมีผู้ดิบแง่หนึ่ง ผูเรียว่าอินทรีเพือมันมีหน้าที่รักษาหน้าที่แต่างงานของเขาโดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้จะโยกย้ายสลับเปลี่ยนกันทํางานแทนกันไม่ได้มันเป็นเจ้าของแต่ารมาที่คล้ายกับว่านายประตูคนหนึ่งอยู่ประตูออกทางตะวันออกคนหนึ่งอยู่ทางตะวันประตูตะวันตก คนหนึ่งอยู่ประตูทิศนี้ือคนหนึ่งอยู่ประตูที่ใต้คนหนึ่งอยู่คิดเบืองบนคนหนึ่งอยู่คิดเบืองล่างต่างคนต่างอยู่ทําหน้าที่ของตนแต่ละคนคนถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้ใครก็ชํานาญในหน้าที่ของมันต้องใช้ของมันอันนี้อุปมาเสียแต่นายประตูนี่แค่สามารถที่จะเรียนรู้และทับเปลี่ยนกันได้หน้าที่ของตนในเปลี่ยนหน้าที่ของคนอื่นได้อันนี้ปเปล่าเรียนไม่ได้หรอก ตาจะไปเรียนแบบหูเรียนไม่ได้ดลหูจะไปเรียนแบบตาเขเรียนไม่ได้เช่นตาจะไปฟังแท่งหูนี่ไม่ได้เด็ดขาดหูจะมาดูแทนตาก็าไม่ได้หน้าที่ของมันโดยเฉพาะเช่นตาเั็นสําหรับจะดูอย่างเดียวไม่ใช่ในอื่นไม่ได้จะไปดมก็ไม่ได้จะไปฟังก็ไม่ได้จะไปรับรสอาหารก็ไม่ได้ทาไมยังไม่ได้ รีบก็อยู่ในกายใช่ไหมพูดแล้วทั้งหมดนั่นอยู่ในกายแต่เดีนี้ว่าจะเฉพาะหน้าที่ของมันรีบก็อยู่ในกายนั้วนะแต่ว่ามันรับรดเฉพาะของมันสิ่งอื่นมันได้รับเหมือนกับรีดด่ง น, นั้นจะยังเรียกว่าออเ AI in C คือมันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันแต่ละเรื่องละเรื่องของแต่ละหน้าที่หน้าที่ฉันยังเรียกว่า R ิ n C นอกจากท่านจะเรียกยินสีแล้วท่านยังเรียกอีกทิฏฐานซะอีกว่าทั้งเรื่องหน้าที่ของมันเหมือนกันท่านยังเรียกว่ า, า, วา ธ, ธาติเลยจักรธาติโตตาธาติตาธาติหูธาติว่าอะไรไงจมูกธาติลิ้นธาติกายธาติไก่ธาติทาไมยังเรียกธาติ ่าในที่นี้นะ่ะคือหมายความมันคงตัวอยู่ตามสภาพเดิมเท่านั้นสภาพมันเป็นอยู่เช่นไรมันจะสงอยู่ตัวอยู่สิ่งนั้นเพียงเดียวว่าธาตุคําว่าธาตุธาตุในที่เนี้คือขอ ง, ของเดิมอย่างเราเรียกกันว่าธาตุของคนแทๆ้ๆหรือธาตุน้ําเงินแทๆ้ๆหรือธาตุทองแท้ อย่างเรไม่รู้จักเรื่องอะไรทั้งหมดอ่ะเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ ง, งาาาทางอุตสาหกรรมพากันไปเห็นวัตถุอันใดหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาโดยที่มันมีสมมติบัญญัติเขาจะมีนิสัยได้ว่าให้สมมุติให้บัญญัติเป็นธาตุนหนึ่งคือยังไม่ทํามีชื่อคือยังไม่มีใครสมมตบิบรรยัติเขาเรียกว่าเป็นธาตุ น, นั้นคือของเดิมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีใครปรุงแต่งขึ้นมาแต่จะถา้าไป็นอย่าง อย่างคนเราเกิดขึ้นมาที่แั่นั้นเป็นสภาพเป็นคนแท้เรียกว่าธาตุของคนแท้คือเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อันคนหนึ่งเรียกว่าธาตุเดิมดแท้อันนี้อันคนมาแปลสภาพไปมาเป็นคนทำชั่วเรียกว่าคนบาปทำดีเรียกว่าคนบุตรหรือ ว, ว่าแปลสภาพของธาตุนั่นแหละ มาทํางานหน้าที่ของใครของมันตามหน้าที่ของตนเช่นมาบ ว, าศาาวชศึกษาเป็นขาวเป็นชีเขาก็ไม่ขาวเป็นชีมันเป็นแค่เราพิสูจนตามนิยมไปค้าขายเขาก็อยากพอกผ้าแม่ค้ า, าไปทําไดรทางสวนเขาก็เรียกว่าแถวไร่แถวสวนชาวนาไปต่างๆเลื่อเตะอย่างเลื่อยจายเสื้อผ้ามันทิ้ดผ่า น, นันใสแต่ที่จริงมันก็อยู่ตามเดิมเหมันอนกันแค่ว่าการงานหน้าที่ เขเรียกตามหน้าที่ตำแหน่งหน้าทีพระนั้นท่านเรียกว่าธาตุในนิสมัยก่อนแตาพมันเป็นอยู่ตามเดิมเช่นตาไงมันมีสภาพเป็นตาอยู่ตามเดิมแล้วจะไปเรียกอื่นมันก็ไม่ถูกจะไปเรียกหูก็ไม่ถูกจะไปเรียกจมูกเลี้ยงไกมันก็ไม่ถูกสต่ธาพมันเป็นตาอยู่ปกติสต่ธาพมันเป็นหูจมกูกอยู่ปกติ ไปเรียรเป็กายเป็นใจยุคปกติท่านก็เลยเรียกว่าธาตุเลสมมุติไอ้บัญญัติเรียกว่าธาตุนลยมีชื่อของมันพูดตั้งแต่ธาตุสี่ทีแรกเทียงสี่อย่างมาจนว่าถึงขั้นห้ามันยายออกมามาถึงอโยธนะเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์เนีเรียกว่าเรียกเนี่เรียกว่าธาตุ มันเข้าหาของเดิมอีกเักาเรียกธาตุครึ่สภาพเดิมดินหน้าไพลนมันก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็เท่าเก่านะธาตุเขาเรียกธาตุสี่ไปทําหม้อเข า, เ ก, าก็ดินไปทําไปทําให้เขาก็ดินไปทำํำไปปั้นรูปตุ๊กตาเขาก็ดินไปทำอยาว่าเขาไปทําบ้านทำเรือนกต่ธาตุสี่เหมือนกันคือของแห้แข็งนึ่งเอาไปทําบ้า น, ท, นาทําเรือนก็าธาตุสี่ไปทํา ทองที่แปรสภาพไปแล้วมันก็นยังคงที่อยู่จะแปรรูปร่างไปแต่ว่าอันนั้นมันยังคงที่อยู่เรียกว่า ม, มันทรงตัวอยู่ตามเดิมเดียกวกับธาตุอันนี้ว่าถ้งเรื่องอยัยนาแล้วต้องว่าอัยจนาภายนอกอีกว่าอัยนาภายในสิรษะหจมูมูกจมูกจมูกจมูกจมูกจมูกจมูกจกจมูกจมูจมูนจมูกูกจมกจืูมูกจมูกูกจมูมูกจมูกจมููกจมกมกจมูจกก ครอัยยตนาภายนอกเป็นคู่ไปด้วยเพราะมันเป็นคู่เกิดเราเป็นคู่กันอย่างเราพูดถึงเรื่องว่าทุกอย่งี้ยถ้าหมายความถึงว่ามีสุขอยู่หรือพูดถึงสุขถ้หมายควา ม, มันมีทุกอยู่ถ้าหากไม่มีทุกแล้วพูดสุขสุขไม่ถูกหรือพูดถึงสุขถ้าไว่มีทุกแล้วพูดสุขก็ไม่ถูกมันต้องมีคู่กันอยูอย่เดี๋ยวมันจะไปเกียงเกจี๊ยบ มีมืดแล้วต้องมีสว่างหมายความว่ามีสว่างยังเรียกว่ามีมืดหมายความว่ามีสว่างหมายความว่ามมีมืด ม, มันสว่างมอยู่ยังเรียกว่า ม, มืดเป็นคู่กันอยู่ไานี้อายตนะภายในอธิบายไปห้หจมูกิ้วใจี่วามันอยู่ในตัว ข, ของเรายเฉพาะตัวของเราเลยยืนเดินนั่งนอนไปนไหนปนยอยในตัว ข, ของเราทั้งนั้นไม่ไิรหรอิรอยู่กันน่ะ ไอ้หาไอ้ตาภ า, า, นะ า, ายในคู่ของไอ้ตาภายในเครื่อนีเมื่อมีตาและจะต้องมีสิ่งที่เราเห็นถ้ามีตาแล้วต้องดูพอะลืมขึ้นนี่เห็นเลยทีเดียวไม่อะไรก็ต้องอันหนึ่งแหละไม่อย่างใดก็ต้องอย่างหนึ่งแหละเพราะเราลืมตาค้อเราเหนเลยไหนมันเป็นคู่ไปเยอย่างนี้หูนะพอมีหูแล้วต้องได้ยินเสียงเลยเด็ดไม่ไม่ได้ยินต้องได้ยินเสียงแน่นอนทีเดียว เบ้นมาเจมันหูอื้อเรียกว่าภาษาเสีนนีจมูกก็เหมือนกันต้องมีกินเป็นเครื่องกระทบมีเลี้ยงก็ต้องมีสัมผัสสือรสเป็เครื่องกระทบมีกายก็ต้องมีเรื่องกระทบคือเย็นร้อนอ่อนแรมีใจก็ต้องมีคิดมีนึกต้องมีอารมณ์จิตอยู่กบใจทุกคนมีทุกคนอารมณ์ให้เข้าใจที่ถึงเรื่องอารมณ์นี้อีกเหมือนกัน อารมณ์นั่นหมายความหมายถึงสิ่งอันหนึ่งขึ้นติดอยู่กับใจจะเป็นสิ่งดีสิ่งไร้าย ต, ตา่างจริงชอบไม่ชอบก็ช่นอันที่มันติดอยู่ยกับใจนะั้นเรียกว่าอารมณ์เราจะสระจะทอดทิ้งจะไม่ชอบก็าตามไม่ชอบก็เช่นแต่มันติดอยู่ยกับใจนะันเรียกว่าอารมณ์อันนั้นและอารมณ์ถ้ามีใจก็ต้องมีสิ่งมาติดอยู่ยกับใจจึงเรียกว่าเป็นคู่กันลูก รูปเสียงก ล, ลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมมันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในกับภายนอกเป็นคู่เทียงกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้อายตนะทางภายในกภายใ น, อย น, อยนอพอมันกระทบกันเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน มันยังมีเรื่องเกิดขึ้นมาอีกหลายกรณีให้พิจารณาให้ดีๆพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นของละเอียดไปโดยลำดับจริงๆเรงจะมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาภายในในขณะนี้มันกระทบกันเช่นตาได้เห็นแล้วถ้าหากไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีประโยชน์แก่ตาลูกมันพ้ากระทบแล้วเกิดความรู้สึกขึ้น เรียกว่าสัมผัสเชชาเวนะอารมณรู้สึกตัวนั้นแหละพอรู้สึกก็จะชักให้ชอบใจหลืไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเสียงตรงมือนกันหลิมและรอดตรงนั้นกันพอกระอบมาเข้านี่ก็เกิดอารมรู้สึกพอรู้สึกกัจรู้สึกว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจเสียใจเกิดขึ้นมาพร้อมนตรงนั้นแหะมันจะทำลายใหญ่ทันมันจะแตกกระจายกันตรงนั้น เขาเกิดความรู้สึกจัมพาเกิดความรู้สึกมาแก่กระจายกันใหญ่ในค่ะนี้ถ้าหากชอบใจรติดอกติดใจอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอะไรให้พอใจก็เสียดเบื่อหน่ายเบื่อกินทั้งทุกริ่งทระการดีใจแล้เสียใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกไม่ใช่ในน้อยแล้วทุกตรงนั้นทุกมากทุกไม้ทุกใหญ่โตในขณะนี้ นั่นแหะท่านเรียกว่าิริมันเกิดจากสัมผัสอาณานักรภายในกับภายนอกสัมผัสคือท่านเรียกว่าิริวิริจะนี่แหละมันเป็นเครื่องทําให้นุดชาตาโลกเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเหตุนันทภูเดจาท่านพระพุทธองค์จึงสงสอนให้พวกเราเข้าใจทุเรื่องความมีในตัวของเรา ให้เข้าใจโดยในเทวทิบาลมันนี่แหละให้รู้จักธาตุขันอายาตันะหรือให้รู้จักอินทรีย์รู้จักธาตุหกเมื่อเรามารู้จักเช่นนี้แล้วนะลองคิดดูสิมันจะมีประโยชนอยังไงเราดูเราตัวของเราเนี่ยนะเช้นเป็นเกษตะวัาน์ห้าธาตุสี่คือดินน้าไพล้มน้งหางไม่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนคนเรา ก้อนท่าก้อนนึ่ท่านเจงอุปมาเปียบเหมือนกับตัวของเราคือก้อนตัวของเราเนี่ยเป็นคําบาลีที่ท่านแสดงว่ากุมภูประมังกายมังยิดิดดตรวัตใครเราจะรู้จักรูปอันนี้คืออุปมาเปียกมันก็มอกก้อนดินดีๆนี่แหละธรรมาดาโม่เขาเกาดินมะขย้ําทนเอ เนียวแล้วใครยังลังปั้นเป็นรูปเป็นรูปตัวของเราเราไม่ได้ปั้นหรอกมิดาบันดาเขาไม่ได้ปั้นเกกรรมบันดาหล่อให้เกิดเป็นตัวในตัวขึ้นมากรมอดีๆนะริดูสิจะไปใช้หมอีถ้าจะพูดมันจังหมอดีๆน่ะหูก็มีือกันปากก็มีเหมือนกันจะว่างใช้กันหูกัสองหูมนก็กมอหมอดีนเขาเคทสองหู ปลาาก็มีเหมือนกันต้มแจ้งยังก็ได้เหมือนกันใส่ลงไปใส่ใส่ล ง, งไปได้ปากอย่าใส่พริกใส่พักอะไรต่างๆเนื้อปลาใส่ลงไปงมันเป็นต้อมอยู่ภายในมั น, มนก็เปื่อยละลายไปเหมือนกันนี่ท่านว่าจริงทุงท่านทีเดียวพวกมาเสี่ยมันก็มองแต่นี่เรานี่ยไปหลงสมมติว่าคนเนี่ยตีเรื่องมันะะมันแย่ตรงนี้ที มาเลยหลงเป็นคนก็จะใหญ่โตมาตานคนก็เลยลืมกันเน่ยมันโบราณที่ท่านเรียกว่าคนว่าคนที่พูดกันภาษากันง่ายเข้าใจกันง่า ย, ายกันคือมันละคนคนเตรกันไม่ทราบอะได้ต่อแะรเนะี่ยเรียกว่าคนมีมดเะสุกสิ่งจาึ่างคนเราแต่ละคนคิดดูสิใจของคนกนดีตัวของเราทั้งตัวของเราตัวของเราทั้งตัวของเราเนื้อตัวเรานี่เนะี่ะมันจะเป็นคนยังไงทิศทิ ผักเนื้อปลาปลาแลพัดทุกอย่างเอามาคนตรงนันนี่หมดก็สมประสารรวมในแห่งเดียวนี่หมดเยังเดียวกว่าคนอันนี้ก็ถูกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องด้านนมามธรรมจิตของคนเราเนี่ยคนจริงๆก็คนมันอยู่มดจิตที่เป็นมนุษย์ก็มีจิตที่เป็นเ ท, ท, เทวดาอิทธิพงเขามีจิตของน้อยที่เป็นสัตว์ที่ไรชาตเปรตทศกายนี่มัมด จิตที่เป็นสัตว์จะมีอย่างไรนะจิตอะไรที่เป็นสัตว์เวลาเัาคิดบาปมันรสนไม่รู้จักคุณโหนคุณนังไม่รู็จักสิ่งที่ดิที่ชั่วคือคืออยู่บนตระดัตัดอยู่กลางทุ่งดลางนางงไฟไงนะมันได้จากามุญทั้งบาปไะเรยนก่ได้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนตื่นมาหากินใหม่กันมันก็ซาเทิอีกคนเราท่าแบงท่านจะว่ามนุษย์แต่ดีแต่ฉาโน เปรตก็มีอยู่ในนี่ในจิตของหลาเนี่ยนะเปรตใคือหารักถอดกมขโมยหลอกรวงคนนั้นคนนี้กินยากับเปรดแสดงรูปแสดงร่างเจอมาปรากฏเป็นข้างเป็นขาวแล้วก็เคยยิเขาพูดกันแล้วว่าเปรตมันหลอกคนยังง้นอย่างงี้ทําท่าเป็นโคมกระดูกแล้วผมยาวอยังงั้นอย่างนี้มันแผลงห้อยโหนจนไม้จนไต้ให้คนเห็นแต่มองดูจริงแล้วไม่เห็น คนที่เป็นเตตก็เห็นหน้าวันกันแล้วไปหาหลอกรวงคนอันนี้ทำข้าเป็นเจ้าขี่เจ้าการ เ, เจ้างานเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายแสดงตนตัวมีอํานาจปาฏิหาริยให้คนหลงเชื่อหลงลมให้ห ล, ลงกลัวเมื่อได้จับเกินเงินทองของเขาแล้วหายวับไปที่คนอํานาจปาฏิหาริย์หาหมดให้เจ้าหลวงเราก็ไม่เจ้าหลวงเขาก็ไม่เห็นไม่ซั่งหายหนาหายตาไป มันก็เปล่าบบดบบน่นนจิตใจด่นนี่ึงว่ามีคนนัอยู่ในหมดทันทีเวลามันคิดใจบุญทุนทานแม้ถึงจะไปรักทอขงขงโมยเข้ามาได้สัเท่าไรากรร็ตามเถอะเพรานันมันคิอ ย, อยากจะทบุญพระวัดวาทำบุญในพุทธศาสนาางคนอาจจะข้บทเรียนแค่อ่านพุทธศาสนารนมันก็มีขึนน้นมาเาเทวดาอินทร์พรหจิตของของ เ, เกิดสุมาลั อยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ที่เดียวนี่แหละอยู่กับคนคนเดียวนี่แหละกระทุกคำว่าคนในงานกระทุกถ้าอย่างนั้นท่านพุทธเจ้าท่านอย่างสอนให้ท่านวิจารคนเราเนะี่ยอย่าไปถือว่าเป็นคนอย่าไปถือว่าเป็นมนุษย์ดีที่เดียวให้ถือว่ามีทั้งเตศมีทั้งมนุษย์มีทั้งเทวบุตรเท ว, วดามีทั้งสัตว์แต่ใดฉันอยู่ในนี้ในที่นี้ทั้งหมด เดี๋ยวนี้เรายังไม่ทันมองดูตัวของเรานั่นสิมีแต่ถือว่าตนว่าตัวว่าเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็ดีแท้วัตถุเสียงทอย่างวิเศษวิโสกาทั้งหมดแทถือว่าตนนี้ได้รูปได้ร่างเป็นอัตภาพเป็นคนแล้วกันว่าดีวิเศษวิโสก็เลยถ้าหาวมาพิจารณาตามในธรรมะที่พระเดจจารสมาธแสดงที่เที่ยแสดงในที่สแสดงหมายสั่งที่สแสดงมานี่นะ่ะ มันไม่ใช่คนหรอกข้าศีหรอกมอเนอร์ลูกหนึ่งหรอกเขาบอกมาเศษมันกมอลูกนึงแล้วมันจะมีถือเนื้อถือตัวอะไรตร้างคนนอมอแล้วก็พอเป็นมอแลเป็นรูปเป็นร่างเข้ามาแล้วมันจะมีวันแจกอันหนึง่งคนเราเกิดเข้ามาก็ต้องมีมวันแจกันดับมันก็เห็นจักแค่ว่าเกิดขึนดักดับไปสมอนี้จะเท่า ก, กัเป็นรูปปราก็ขึ้นมาแล้วก็หายไป การเดบวษช้าเร็วแล้่นเราพิจารณาได้อย่างนี้มเหรอละเจรการถือซึ่งอัตมีมานะกิเลสคืออัตมีมานะถือตนถือตัวถือว่าดีว่าเด่นว่าเก่งว่ากล้ามันก็หมดไปเมื่อถือว่าตนไม่เก่งไม่กล้าหรือไม่ดีไม่เด่นอ่ะเสมอกันเสมอพาทั้งหมดเขาเราเหมือนกันทั้งหมดนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบนเรามันไมทางการทำชั่วจริตก็ไม่มีอิจฉาสรเดดเดียนกันกาันเสมอกทั้งหมด ม, มันดีอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้จักตัวของเราหรือไม่เช่นนั้นเราไม่เห็นเพียงยแใจแล้วก็เป็นขันเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ละก้อนและก้อนเป็นกองแต่ละกองหรือว่ารูปก็เป็นกองอันหนึ่งเวทนาสัญญาสัญขาสัญญาณกับเป็นกองแต่ละกองละกองมันมีลักษณะทําหน้าที่ของมันโดยเฉพาะของมันของมันม น, นั่นคือคนเรื่องพิจารณาเจ้าเรื่องอายตชนะ อยางที่อธิบายมันนั้นมันมีหน้าที่ตาเขาทำตามหน้าที่หูจะหมุนท่ตามือนกับทาตามที่ของใครของมันเหมือนกันกับคนเหมือนกับบริษัทที่เขาทํางานแผนกทั้งคมแผนกทะเบียนบัญชีเสม็ดแผนกพัสดุกิ่งสิ่งของแผนกอะไรเขาก็ทําตามเรื่องตามแผนกหน้าที่ของสงคแต่เขาอยู่ในบริษัทเดียวกัน หาเงินมาบำรุงบริษัทเดืองกันถึงเขาจะได้รับค่าจ้างรางวัลจากการทำงานเพื่อประโยชน์มันก็ประโยชน์ของเขาจริงรอกแต่ว่าทำงานเพื่อบริษัทคนเดียวกันทุกคนเหมือนกันหน้าที่ต้องตาทั้งนั้นมันจะมองดูสิ่งที่ได้ทังไรทั้ ง, งปโปงหมดก็ตามน่มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามน แ, แต่มันก็เพื่อความสุขคือเพื่อประโยชน์ของร่ากายเพื่อประโยชน์ของใจ ก็ื่อประโยชของใจอย่างเดียวงั้นแต่มันทํางานหน้าที่ของมันตามเลือกอ ม, มันก็เพียงแค่นะั้นจะมีอะไรคนเรานอกจากนี้นท่นานจะพูดทั้งเรื่องตัวงเราเรียกว่ากายพระนคร เ, เป็นพระนครใหญ่โตเขาถามเยิ่งพิสดารก็จะอีกอันนี้พูดถึงเรื่องบริษัท ย, ย, อย่อยถ้าพูดถึงเปรียบมันจะพระนครนั้นหนึ่งแล้วก็โอ้โหเย่งพิสดารก็ใหญ่โต ้าหูจมูกร่างกายใจเรียกว่ามีถวาวรทั้งห mm hmm. กเมื่อพระนครนมีมีวาวรทั้งห mm hmm. กคือมีประตูทั้งหกแห่งมีนายประตูคอยเฝ้าตั้งเกจเหตุการณ์ผู้คนผ่านออกผ่านเขา้าจะต้องรู้จักว่าใครไปใครออกใครเขา้าใครเป็นอะไรต่ออะไรรู้จักหเรียกว่านายทวาวร ตัวผู้เเวราาคือพญายิตราดมันชาการในข้างในในพระราชวังอันนี้ส่วนในประตูไอสวนห้องหับสำหรับเก็บพัสดุเข้าของเด็กๆ น, น้อยๆอาหารการบริโภคคือกับพกี่วอาหารเ่องกลางๆมาทำงานตามหน้าที่ในเมืองนพนักงานมีหลายเรื่องหลายอย่างเช่นวันหรือปาก มัสำหรับบทเที่ยวอาหารนําคอมันสาหว้ให้กลืนอาหารเลี้ยนสำหรับไว้รับรถไอ้สำหรับคือไอ้ไตสำหรับไวบ้บรรจุอาหารอันนี้มีข้างในอีกคือไฟข้างในแล้วสําหรับที่จะทํางานบทย่อยอาหารให้ซึมซาบไปตามเส้นประจักษ์คือไปตามเส้นเองทุกแห่งทุกหนตลอดจนขนผมมาพบขน เช่นพรนะเจ้นนํารถอาหารนะไปหล่อหรืยังมันมีหน้าที่ของใครพู้มันตามเรื่องตามเราในพระนคร น, นั้นจึงค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าขาดกาพนักงานหลือขาดเรื่องการติดต่อทั้งหลายเรามีแห่งใด ห, หนึ่งจะแล้วพระนคร น, นั้นจะไม่สมบูรณ์คืวิสานคนจะต้องเจ็บต้องไข่โน่นท่านยิ่งคืออธิบายพิจารณาควงขว่งยืดยาวมากหากเราพิจารณาตัวของเราเป็นสักจังหวาดพระนครหนึ่งคือกลายคนคร มันก็สบายมันไม่มีตนมีตัวทั้งใจทถ้นคอนึงต่างหากครับนี่หมดเรื่องแ้่มันดีอย่างนี้อาการที่เราพิจารณาเนเรื่องตัวของเราจึงว่าของทั้งหลายเรามีหมดธรรมากก็มีหมดมีก็บริบูรณ์โอ้ถูกทำนาวัฒนธรรมขันคือขันหาดแบบนี้หมดธรมช่าคืท่าหกได้แก่แทกูโสตานะแบบนี้หมด เรียกว่านามธรรมคือธรรมะไอ้คือธรรมขันต์ต่างๆที่มีในตัวของเรานี่ครอบบทเรียเดี๋ยวนี้เรายัางไม่ได้เรียนจะเราอ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้มาเรียนก็เลยไม่รู้มารู้ก็เลยไม่ทราบจะไปเอาไหนธรรมะกับไม่ทาบไปอยู่ตรงไหนกันไปฟังพระท่านเทศกันนู่นธรรมะอีกท่านนึ่งแที่จริงคือท่านสอนให้เรารู้จากธรรมะในตัวเรา เลยไม่เข้าใจถึงเรีย ว, ว่าธรรมะในตัวเขาเงเลยขัดข้หาธรรมะใหญ่โตเขาถามท่านนี้เลยไม่เห็นธรรมสักทีไม่เห็นลแล้วจะไม่ดูในตัวเราไม่ดูเข้ามาก็เลยไม่เห็ น, นหาคำแสวงหาศีลหาธรรมป้าแล้วสานักนายอาจ า, ารย์ น, น, 5, 5, นาน 10, ยป้ายหาศีลในธรรมได้ขึ้นธรรมบางแห่งมีคันหาพันแปดพึ่งพันทมันหมื่นอะไรต่างๆเบขึ้นมา้งสมัยโบราณขึ้นธรรมกรรมฐานต้องขึใหญ่ขึ้นโตได้ ที่พึ่งก็ต้องหันหันจาลึงน้ํามันจะต้องทิพย์สองกิโลไปขึ้นถูเครื่องคูขึ้นถ้าคูทำนั่นคนไม่รู้จักทำถ้าเรารู้จักอย่างที่ว่านี้ไปขึ้นที่ไายทําไม่ได้ขึ้นในโรงหรอกไม่ไมีมครบหมดแล้วธรรมาอ่านดูรู้จักธรรมะแล้วทั้งหมดเรื่องพอกันเข้าใจตามเ น, นจริงอย่างที่ว่านี้แล้ว ธรรมะถึงว่ามันจะเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกขก์เรียกว่าธรรมะเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเาธรรมะเป็นทุกข์หรือว่าธรรมะจะเจริญขึ้นหรือว่าธรรมะจะเสื่อมลงหรือว่าธรรมะจะแตกสลายดับไปก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นและไม่ใช่เรื่องของเรานี่จริงได้อธิบายให้ฟังมาโดยตลอดเพื่อเข้าใจเรื่องธรรมะอย่างนี้เก็จะนั่นแหละ อย่าพากันฟังที่เฉยฟังธรรมะฟังให้น้องเข้ามาในตัวคิดท่านแสดงออกไปนะ่ะแสดงอยู่ในตัวทั้งนั้นเมื่อเขาจะทําให้อยู่ในตัวของนนั้นสบายพิจารณาในทําแลั้นก็เป็นเครื่องอยู่สบายสำหรับการในาทางทำโมหะเวรสติธรรมจรีผู้ใดมาพาการลบพฤติธรรมทำย่อมตามลักษาะผู้นั้นทำโมสุกินโนสุขมาลฮาติทำที่เราพิจารณาให้ดีแล้ว คนคั่าดีแล้วอย่างนี้นย่อให้เกิดความสุขทุกเมื่อนี่แสดงมาในธรรมะวันนี้ก็ออสรุปรวมขมรวมใจขมในเสี ย, ยงเทียนนี้ฉะนั้นทุกๆคนจงพากันพิจารณาธรรมะของตนของตนจนให้เห็นแจ้งไปจากชัดในใจของตนแล้วก็พากันอยู่้วยธรรมะก็จะนำมาเป็นผลสุขสุขสุขคนนะุขสุขสุขสุาสุขสุขสุกสุ